การบำเพ็ญทางด้านธรรมะพอสเช่นเดียวกับเราทำมาหายเร่งธีริจทำการค้าขายหรือจิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายายิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทาให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจมีแก่จิตแก่จใจ ก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝอกใฝอะไรอิทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมมีที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับๆการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่า น, นั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น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 มีความดุดดื่นหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทำการค้าขายที่แร ก, ก็ยัยไมค่อยทราบเรามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียท่าเสียกีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพ้ามสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหวเข้าไปโดยลํำดับต่อไปก็มีความรบับผิดและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากําปั้นตีนเนี่ยใส่เข้าไปปุ่งตั้งปึ่งตั้งรติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทํเราก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้ของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา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 ไปพินกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่เมาการศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตองอะไรทำนองนั้นอันนี้ให้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทาจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต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 ปัญญารวดเร็วหรือชา้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กัณนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความทํานาญของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชา ต, ต, ต, ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเรื่อยไปเลื่อไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติการจิตเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเล ย, เลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุบวาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความประยศนั้นเป็นเรื่องของ ก, กิเลสเราก็ทราบกันและการดัดพยศนั่นก็คือธรรมนี่เวลานี้เราเราบเาเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความประย์เหล่านั้นน่ะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประยศนั้นมันก็ลดตัวมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับ น, นี่เรียกว่างางานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในกิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทาความภาคเพียรไม่อึดอัดเหน่อยน่ายเพราะผลเป็นเพื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแรกขึ้นไปเรื่อยเส่นเดียวกับเด็ด ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบํารุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อไดแล้ว ก, การบํารุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ําเสมอก็จ ะ, จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าลื่นมีความชำนิชานาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลําดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่พัน ขาหูใช้าตาลตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสดุปสติปัญญาให้รับทราบให้คน้นคว้าให้พิจิตริจนาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีคำเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มท้องฟ้า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 สถานที่นั้นๆไม่นลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับเรียวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าก็าจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้ปวด่วงมากมายได้จากประธานเป็นผู้ระเจ้ายึดถือมานี่เหลืก็ตามล่านี่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงจิต ก, กับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ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 ตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ตรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลำหดา น, นี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงท่วมจิตใจมาโดยลำหนับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องนุหนหลัง และทราบโดยลํำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแกล้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางนัหมายถึงว่าเท่าตามต้อนตามล่ากกิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญนหมายของใจนี่เลยนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสาคัญมันสำคัญนั้นหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว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 น, นี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจัดแล้วไม่ต้องบอก เ, อเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดอะรก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่ กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึกสูง ก, กากสูงกว้างก็กว้างาไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเรงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นนันเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดง่าไง่ายตามล่าจิ๋ดเด็ดั้งตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้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 แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทำงานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนังที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริงมันถึง้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดเป็นอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายื่งด้วยเนี่ยเศรษฐีมันยึ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งซี้เกียจปิดกันนะ้น่ะเศรษฐีแทนที่จะ น, นั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต็นขนขวายให้ ด้านกรองขีบกับขี้เกียจนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัรนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้ไปพอเห็นพอเข้า อ, อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าออเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงหันมันหมุนตัวมันไปเองอเอาไปจนกระทั่ง ล, ลงทะเลหลวงตะตูมหมดสมุดน่ะะเดี๋ยวลงทะเลหลวง นั่นก็หมดปัญหาหมนเองเรื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมจักนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนกะฟาดจะฟันมันแหลกทั้งหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนกระฟาดจะฟันจะค่ามจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผล<ม>โสดาปฏิผลสกิทาคาันผลอนาคาันผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลําดับน่ะถึงผลสุดท้ายก็ ที่พานสมบัติเนี่ยอาหาตะผลกับนิพพานสมบัติไม่มีอะไรผิดแปกกันเมื่อถึงขั้นอาหารตะผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลาดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนกิ่รที่ลกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลาดับ ฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรร ม, รรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่ ง, กงปกปกโซ่มจึงต้องกำจัดตัดเตาสิ่ง่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมทำแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสแล้วนะทำฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้แต่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ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 ผูนั้นจะมีจิตดิจิสัยหนักมาในเอามาุดมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมรรคมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความบดพลนไปโดยลำหนักลำหนับจนกระทั่งถึงบดพลได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจยึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนํามรรคพิจารณา ให้ปรากฏขึ้นพันในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี่ยิงขอยุติเพียงเท่านี้เพียเท่านี้มากกับาแล้วเรื่องอะไรกระซิบขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่อย่างนี้อย่างที่ทา่านหาจารย์อาจารย์ชอบที่ว่าเสือประดังกันอย่างนี้ทั้งข้างหน้าข้างหลัง นี่กำลังฉาก็นั่นกําลังฉา<ม>คือเสือตั้งสองตัวนี้มันเคยกินคนแล้วมันรู้วิธีกินคนนะี่ะจะให้ระวังทางไหนบ้างเนี่ยมันเข้าป้อมกันนี่เขาบอกแล้วว่าเสือพวกนี้มันเคยกินคนเป็นประจำร้าสเขาต้องปิดประกาศปากดงจะห้ามตั้งแต่วันเที่ยงตั้งแต่ะวันเที่ยงแล้วห้ามผลานห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเข้าไป ผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอื่นนั่นนะเขาห้ามแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้วจริงไหมะฮะกินเขาอะไรนึงเขาก็เป็นอันหนึ่งนั่นไอ้ผู้ที่จะเดินทางตามทางนี้จนกระทั่งถึงทะลุไปที่อื่นนั่เขาปิดประกะาศห้ามตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามไปคือจากตั้งแต่วเที่ยงวันไปจนกระทั่งถึงกลางคืนนั่นนะ่ะมันจะไม่ทะลุตรงนี้แล้วเสือพวกนี้มันเคยหากินคนเป็นประจำเวลากลางคืนมันก็นนมา มันก็เป็นท่านอาจารชอบนะอ่าไอ้เองเนี่ยพอเสือมันฉางมาจริงๆเนี่ยนั่ น, น, นท่านจนกาะเนี่ยอ่าเราคงจะยังไงว่ายังไงล่ะมันนี่วะคนเราจนเกาะมันเข้าเพราะเคยเข้าอยู่แล้วกลิ่นเนี่ยไม่มีอะไรพึ่งของคุณตัวเอง ตัวงก็มายถึทำมันภายในนั่นท่าบกกำหนดเลยทันทีคือมันจนกอกแล้วท่านนั้นกอดฉากฉากท่านนี้ก็ฉากฉากของนี้ท่านนั่นก็ฉ า, ากามันมันจะให้จังหวะพร้อมๆกันนะ่ะพยาน ก, ก็เสือเทพผมรู้แหละ <c oughs> <c oughs> คือเทพบรรดาลใจก็ได้นี่มันหลายอย่างนะพอเห็นท่าเป็นมุมจริงเขากําหนดจินคือท่านปล่อยหมด ไอเรื่องทางนโน้ทางนี้ท่านต่อยหมดเนาจิบเข้าพอกําหนดอันนี้จิบก็ขยับลงไปเลยทนันทีแต่ยังไม่ถึงขี้เห็นหรอกเขาขยับลงไปแล้วแล้วก็ผุดขึ้นมานั่งที่ตอ น, นําคันเนี่ยผมเชื้อทําอะไรทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัว น, นั่งฟังสิเนี่ยที่เป็นเรื่องอาศจรรย์อ่ะชื้อทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากําหนดเพราะว่างท่านพับลมปุ๊บคราวนี้หายเงียบหมดเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นมาขึ้น ความปัญญาอารมณทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายไม่มีเลยปาก็เป็นหลายชั่วโมงนี่ร่างกายก็หายเงียบในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยน่านเวลามันจนกว่ามันลงได้เต็มที่อย่างนั้นเพิ่กระทั่งที่มันถอนขึ้นมาก็ไม่ทราบเมื่อไหรชั่วโมงไปเดินขที่โคมไฟนั้นอะ ที่หิวอยู่นี่มันก็มีไฟอยู่นั่นถ้าถ้าหิวเดินทางทุนนี่ท้ามายืนหิวอยู่นั้นกดก็แบบบ่าก็จะพายบาบาหนั้นก็แบบกดก็อยู่อย่างงั้นเดินยืนอยู่อย่างนั้นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็หิวอยู่นี่แล้วจิตมันก็รวงก็อยู่งั้นน่ะมันไม่พาหกพาล้มไปไหนเลยฮะยืนเอวยาวบนยืนยืนอยู่งั้นเลยนคิดดูสิไม่หกไม่ล้มทั้งๆที่ไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นมันความความรู้สึกตัวนั้นน่ะ ว่าตัวมีน้ะมันหมดกว่างั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือว่าอะไรท่านมันหมดแม้แต่ร่างกายที่เป็นส่วนเฉพาะตัวนี้มันก็หมดในความรู้สึกี่มันยังยืนได้นี่ดูดิมันยังท่านนั่งภาวนาเอาหันกันยังคอนโธรสมบัตินี่เจ็ดวันนี้ตั้งตั้งเข้าเนื้มบัติเจดวันนี้ท่านล้มอะไรท่านไม่ได้ล้มนี่ก็อยู่งั้นอันนี้ก็ทรงตัวตามธรรมชาติของมันอันนั้นกระทรวงตามธรรมชาติ พอจิดถอนออกมาเพื่มามาู้สุดตัวพอพอรู้สุดตัวแล้วก็เร่ออะไรๆเป็นปกติทั้งเลยนั่งลงแล้วเอาไมาไม้จิตใจมาขีจุดเทียนที่จุดจันไงแล้วมองไปไหนไม่เห็นเสือไม่เห็นตักตัวหายไ่ไหนเนี่ยอะไร ม, ไม่มันมีอะไร น, น้อยกว่ละแต่อาจรรพ์ที่ตรงที่ ยืนอยู่นันสิแล้วจุดไฟแน้วหลังก็มองนน้นมองนี่ทีนี้ไอ้เสือที่มันเคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรทัานพูดมันพูดไม่ถูกมันเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรอย่างซึ้งเลยวะงั้นนะท่านว่านะแล้วอยากจะพบมันอีกที่นี่ไมไม่เป็นเสือแล้วอยากพบเพื่อนเหรอท่านว่าท่ฟังนีนี่แหละทำแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่สร้างปัญหาตัวไหนเรื มั้งท่านจะมันฉาบฉาวอยู่ห่างประมาณสองวาหน้าตัวแล้วสองวางนั่นเองมันฉาบฉาวฉาบนี่ฉาบอยู่คือเสือพวกนี้มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินเนี่ยมันต้องเข้าพร้อมกันเลยลไม่มีทางหลบแปลกเสือทําอะไรไม่ได้ไมันต้องกลัวผุดขึ้นมาคือคือคือขั้นที่พอผุดนะถ้าถ้าขั้นเงียมจริงจะไม่มีอะไรผุดนะ ขั้นขั้ น, นขั้นเ น, นี่ยขั้นขั้นที่พอนั้นได้นี่ยถ้าว่าเร็วกว่าสมาธิก็เป็นบุคลาสมาธิทึงออกรู้นั้นรู้นี้เนี่ยอันนี้มันผุดได้หรือบิดจิตธรรมดาที่มีฐานอยู่แล้วน่นถุนได้ธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เร็วกว่า น, นั้นอีกคือเป็นเรื่อยๆอันนี้คือจิตจิตที่เป็นพื้นธมานางจิตเนี่ยเป็นพื้นมายถึงพื้นของธรรมของจิตมีอยู่ในนั้นแล้วว่างั้นเห็นไหถ้าจะจิตธรรมดาเหล่านี้หมายถึงท่านมีพื้นเพลิงท่านอยู่เป็นปกติ ถึงจะรวมไม่รวมกตามอันนี้ผุดขึ้นได้ไม่เลือกการเดี๋ยวเราส้องบลงไปอีกผุดขึ้นมาอีกนี่เป็นเรื่องที่แปลกละเอียดแล้วมาเป็นสังขารนั่นก็ไม่ใช่ไม่ปรากฏว่ามันตรุงแต่ยับยับขึ้นมาคือสังขารเรื่องอะไรมันมันมันมีเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรมันมันจะมันจะกระเพื่อมตัวมันกระเพื่อมตัวมันแต่อันนี้มันธรรมดา มันไม่ได้กระเพื่มที่ที่ผุดขึ้นมานั่นอ่ะแ mm hmm. ม่ทําจิตของเราให้กระเพื่อมเช่นเดียวกับเช่นเช่นเราเช่นเราปรุงเราแต่งนะเราคิดนะอันนี้ไม่มีมันขึ้นมาอย่างละเอียดเลยให้ทราบความชัดเจนเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเสือทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยคือแผ่วออกมาเลยทันทีแล้วให้เข้าใจชัด ก, กับที่ว่าที่เคยพูดน่ย ถ้าไม่จุดไม่ต่อมันรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบอันเดียวกันเนี่ยถ้าไม่จุดม่ต่อมืนรู้อยู่ไหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบน่ยมันก็อันเดียวกันเหมือนกันนี่หวังนั่นเด็กคือออกมาเฉพาะไม่ได้ไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพราะไมไ่คิดไว้อันี้เราก็ไม่คิดไว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วไม่ได้คิดคาดเอาไว้พอจะไปปรุงอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นมาแล้วเรายังงงเลย เทธรรมะต่อมคืออะไรนะไม่รู้แต่ต้องต่อมแล้วจุดขึ้นมาจากจิตใช่ไมจ๊ะใช่ออกมาจากนั้นเน่ะแต่มันไม่ทําจิตให้กับเทือนนะอันนี้ไม่ทําจิตให้กับเทือนออกม า, ากนั่นน่ะถ้าไม่เรียกว่าทําอยู่ได้อะไรพูดแบบนี้จ้ะทาไมมันจะหมดน้ำมันแล้ว น, นี่มันล่อนอยู่ไม่ทราลงได้มาหลายวันลงไปีไม่รู้จะทำจะอะไรเนื่อล่อนไปร่อนมาน้ำมันหมดแล้วตกไป ต่ว่ถ้าไม่จะทำแล้วอะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัไไนทีเะยท่านอาจารย์นั่นท่านท่ไหเนี่ยคืออันนี้ความความอย่างทราบไปเลยต้อง ม, มีมีตามตรินิสัยของผู้ผู้ปฏิบัติคืออย่างทราบไปเลยคือทราบอยายละเอียดตามเหตุผตามผลทราบไปเลยโดยเราไม่ต้องคิดต้องปรุงมันเป็นความคุมทราบท่านอะไรอันนี้จะว่าเป็นอะไรปัญญามันมันเป็นส่วนเป็นส่วนอยาก ท่านเรียว่ายานก็หมายถึงอันนี้เองคือมันหยัง่งเลย น, นี่อันนี้านา อ, นอันนี้มัญญาานหยั่งอะไรอันนี้ยานางุตตปานี้นี้ปัญญาอุตปานี่มีงานนอุตตปานี่นะฟังสิถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทําไมว่าปัญญาอุตปานี้อะไรงานนงุตตปานี่ปัญญาอุตปานี้นั่นใช่ไหมล่ะจเป็นเราจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันคือยานหมายถึงความะเอียด ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วงานได้เกิดขึ้นแล้วอารูโกหุดปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรบริสุทธิ์เราไหปวดเนี่ยเราเนี่ผมมันมียานปวดงงปวดเดาเอางงพูดสนุกนึงเอา